ทำงานคือการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปากเช้าเลยไปลงไปในสระขัดขัดัตให้สะอาดแต่ห้ามใช้ไอ้นั้นใช้ไอ้ลวดเหล็กอ่ะไม่ต้องเอาจะกดรเลยขัดถอ่น้ำ ถ่ายน้ำหมดเดี๋ยวคุณต้นไปช่วยดูถ่ายน้ำออกหมดตากเดดไวเราจะทาสีทีน้่เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปซื้อสีทาสีกันชึ่มจองสามวันก็คงจะใส่น้ำได้เนี่ยพูดมากจกนคอไม่ปกติแล้วหลวงพว่อนี่มันครอแกรโครอแกร ตรงนี้ก็ต้องพูดอีกวันนี้วันที่ตั้งหลายสิบเ็ดสิบสองวันที่สิบสามก็พูดอีกพูดที่โน่นที่ของพูดตรงอายุเรื่องที่จะพูดก็เยอะแยะแต่ว่าไดจับประเด็นได้มันเรื่องเดียวนี่เรื่องความว่างเรื่องเดียว ไม่มีเรื่องอื่นอะไรก็ไปชูความว่างหมดอ่ะไม่มีอะไรคือธรรมชาติจุดยอดก็คือความว่างทุกอย่างก็วิ่งไปหาความว่างเหมือนกับน้าที่ฝนตกจะตกที่ไหนที่ไหนก็ไหลลงชูมาหาจะหมดหมดเช่นเดียวกัน พูดอะไรก็ต้องไปหาความว่างหมดมันไม่มีทางไปนอกจากความว่างอย่างเดียวถ้าเวลาเราไปกัดตูสาดน้ํากัดว่างว่างกัดว่างว่างกัดว่างว่างกัดได้ตัวกู้มันออกไปยังให้สติปัญญาเกิความว่างมันจะได้สติปัญญา เราอาบน้ำตูดกี่ใครพเพื่อจะเอาจิงจกรปรกออกไปการอาบน้ำชาระไม่ใช่ชาระแต่ร่างกายชาระจิตด้วยกันทำงานทุกอย่างทำงานด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาพร้จังกนายกองที่หกไปตัดมัดพระไม้ไผ่เพล้วเดียว ว่างเกิดทันทีเลยเรเห็นว่าไม้ไผ่ที่เป็นลำที่อยู่กลางหน้าเรานั่นพอตัดกลางหนยมันกลวงมันไม่มีอะไรมันว่างว่างกลวงไม่มีอะไรที่มีอยู่ก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีก็ไม่มีอะไรไม่เอาอะไรเยคือมันว่าง มันว่างหมดถ้าอย่างนั้นมันจะว่างหมดแต่พระสังกายนายกองค์ที่หกท่านก็เริ่มว่างตั้งแต่แบกฟืนไปขายแล้วปฏิบัติแล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจ น, นไปตัดไม้ไผ่เอามาทําฟืนแล้วทําอะไรไม่รู้วาตัดไม้ไผ่เห็นกลางในกลวง นั่นความว่างก็เกิดทันทีถ้เราขัดส า, า้ําทําความสะอ า, าดอะไรก็ตามทําว่างๆให้ทําว่างๆทําทด้วยจิตว่างอย่าทําด้วยจิตวุ่นแต่จิตวุ่นกัดทุนทําด้วยจิตว่างได้กําไรทํางานด้วยจิตว่างอย่าทํางานด้วยจิตวุ่น แกทาอะไรก็ตามให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยที่ไปโปอันนั้นโปแต่โนกเหลี่ยมนั่นก็เช่นเดียวกันแหละแต่มันยังโนโนอยู่ขึ้นสูงกว่าเพื่อนไม่ได้เพราะหลวงพ่อรถนะ่ะมันมันจะนัน่นมันจะสะดุดต้องให้เรียบร้อยว่างก็คือเรียบร้อย ถ้ามีต้นไหนที่มันกีออมันออกอางอาๆได้นี่ต้องทำงานด้วยจิตว่างจังจะเรียบร้อยคนที่เขาดูงานก็เหมือนกันก็ฝึกความเรียบร้อยทั้งๆที่เขาก็ไม่รู้ว่าความว่างคืออะไรคือต้องให้มันเรียบร้อยถ้ามันกดสบาย คนอื่นก็สบายเราก็สบายนี่พอถนนเจ็ดเรียบร้อยปะหาไม้มาปลูกจักรรถหนึ่งไปดูมาหมดแล้วบัวก็ไม่ยากบัววิกตอเรียก็ไม่ยากไปเจอแล้วเนี่เด็ดสั่งสั่งทางนี้ เวลาเขาเอารถสิบล้อไปจุกต้นไม้เขามันไม่แพงอะไรหรอกแต่มันหายากรู้ทางแล้วทุกอย่างเรารู้ทางไปดูต้นไม้ดูต้นไม้เราก็มานับดูมานับดูว่าจะปลูกอะไรกี่ต้น แต่าง ช, ชื่อต้อนไม้มันไม่รู้ปลูกตรงไหนมันไม่ใช่เราต้องดูพื้นที่ดูความเหมาะสมอยู่กลางแดดหรืออยู่ในร่มเนี่ยเราต้องรู้ทั้งนั้นแล้วมันจึงจะสวยสวยได้ถ้าเราไม่รู้พื้นที่ของเราไม่ใช่ปลูก ด่าไปเลยไม่ใช่ระยะห่างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่เราต้องรู้แ ต, แต่ถ้าที่เป็นชนมังกรงานที่เราปลูกนั่นเราบังคับได้แต่งได้ตัดแต่งได้ชนมันก็มีเยอะแยะชนมังกรชนอะไรต่ออะไรเยอะแยะ แต่ทุกสนหาวงว่าจะศึกษามาแป่ว่าเกือบจะหมดก็ว่าได้ทีนี้ทางที่เขาทำน่ะที่เราทำนั่นแหละเอาเราปลูกต้นไม้ริมริมที่เขาปักเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แรกสนเข้าไปห่างห่าง ก็สวยคนขึ้นมาก็ครึมอกครึมใจวันนี้บางทีอาจจะเอาต้นอะไรมาหน่อยหนึ่งที่ไปตลาดไปเชื่อของจะปลูกที่ก่างรุ่มประตูด้านหน่อยที่เป็นหลุมอยู่ที่ตรงนั้น โปร่ปรางพรางก่อนแล้วต้นชนเราก็ยังไม่ได้ไปตัดเวลาว่างก็วันไหนก็ไปตัดกันต้นชนที่ให้เขาในรถรถดันดันลงมาแล้วกางน้อยต้องสวยก่อนข้างนอกก็สวยทีหลัง เราก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติในข้างในมันตรวยก่อนข้างนอกตรวยที่หลังต้องทำอย่างนั้นทุกอย่างมันก็มีสองอย่างทังนั้นเน่ะยอมจีไม่ไปดูมั่งว่าต้นท้นมันเหี่ยวไหมตาเหี่ยวก็เปลี่ยนปลายขึ้นไปลดน้ำ ไปลดน้ำวันทัก 2-3 องามคนก็ได้ไม่ต้องไปทั้งยี่สิบองามคนมจะจอยลดน้ำพอมันตั้งตัวติดแล้วก็ไม่มีปัญหามันเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยเราคือธรรมชาติธรรมชาติคือเรามันไม่ใ่แบ่งแยกกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพ็เราปฏิบัติทม พอเรารู้ธรรมชาติธรรมชาติกับเรานี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดได้มาให้ความร่มเย็นให้ความสงบกับจิตใจในเรื่องของธรรมชาติเพราะคนมองข้ามธรรมชาติปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มไม่รู้ธรำด้วย ไม่รู้ทําด้วยรู้ก็จะรู้ไม่ลึกจเจ้าพระโสดาะกิธานาคาจะเอาเป็นพระละหันอืนู่นเอาทำไมอ่ะปฏิบัติให้ความทุกมันหลุดไปหลุดไปหลุดไปเขาบอกว่าพระโสดาอันนั้นมันหลุดไปพระทกิธาคานาคาพาระละหันมันก็หลุดไปหมดน่าจะไปเอาอะไร นั่นนะไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นเอาก็หนักเป็นก็ทุกนั่นแล้วไปออะไรนี่การปฏิบัติธรรมธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรเราทำงานทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติทำให้หมดต้องทำอย่างนั้นเอาจบแค่นี้